สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สามร้อยหกสิบเอ็ดเรื่องต้นไม้ที่ต้องถูกตัดออกพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบสามข้อที่หกถึงข้อที่เก้าพระธรรมลูกาบทที่สิบสามข้อที่หกถึงข้อที่เก้า โปรดฟังพจน์ของพระเจ้าจากนั้นพระองค์ตัดคําอุปมาดังนี้ชายคนหนึ่งปลูกมะเดื่อต้นหนึ่งไว้ในสวนองุ่นเราไปหาดูผลแต่ไม่พบเขาจึงบอกคนดูแลสวนองุ่นว่าเรามาหาผลจากต้นมะเดื่อนี้สามปีแล้วแต่ไม่เคยพบเลยจงโค่นมันทิ้งเสียจะปลูกมันให้ดินจืดไปทําไมแต่คนดูแลสวนตอบว่า นายเจ้าผ้าขอปล่อยมันไว้อีกปีหนึ่งข้าพเจ้าจะพลวนดินใส่ปุ๋ยถ้าปีหน้าให้ผลก็ดีอยู่แต่ถ้าไม่มีก็จะโค่นมันลงพียงขาพรจะนับะเจ้าตอนนี้เราได้เห็นถึงการปลูกต้นไม้ในเรื่องนี้ชายคนหนึ่งมีต้นมะเดื่อที่เขาปลูกไว้ในสวนองุ่นเขามาหาผลที่ต้นมะเดื่อในฤดูของมันตั้งสามปีแล้ว พ่ครับการปลูกต้นไม้นะครับในสวนองุ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลสวนองุ่นก็ต้องดูแลต้นมะเดื่อนี้ก็ต้องดูแลเช so <ing> ่นเดียวกันการปลูกมะเดื่อนั้นทาให้คนมีร่มนะครับในสวนองุ่นนั้นคนอาจจะหาร่มได้ยากการร่มเงานะครับได้ยากเพราะฉะนั้นการปลูกต้นมะเดื่อนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะต้องการร่มเงาก็ตามแต่ต้องมีผลครับถ้าไม่มีผลเจ้าของจะต้องสั่งให้คนสวนโค่นมันเสียคนสวนนี้ก็ใจดีครับตอบว่านายเจ้าค่าขอเอาไว้ปีหนึ่งให้เขาไปเจ้าปลวนดินเอาปุ๋ยใส่แล้วถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีถ้าไม่เกิดผลภายหลังท่านจงโค่นมันทิ้งเสียพี่น้องครับคาอุปมนี้หมายความว่าไงครับ เราจะมาดูบริบทการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้นะครับที่กินผลนะครับในประเทศอิสราเอลนั้นเขามีหลักการก็คือว่าปลูกต้นไม้สามปีแรกอย่าเพิ่งกินผลของมันครับเพราะอะไรครับเพราะว่านี่เป็นคําสั่งของโมเสสเนื่องจากว่าการทําให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์จะต้องมีการพักนะครับ พักดินหมายความว่าไรหมายความว่าโมเสสนั้นต้องการที่จะให้ชาวอิสอเอลอย่าเพิ่งกินผลนะครับสามปีแรกเพราะที่ว่าทําให้เกิดระบบนิเวศวิทยาครับ <c oughs> ระบบวิศ ว, วิทยาก็คือผลต่างๆ่เหล่าเนี้ยให้มันตกลงไปในดินให้มันเน่าเปื่อยนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยทําให้ต้นไม้นะครับหลังจากสามปีแล้วก็จะ เกิดผลแล้วก็งอกงามมากทีเดียวครับท่น้องครับนี่คือหลักการการปลูกต้นไม้ในประเทศอิสอเอลซึ่งเกิดจากบทบัญญัติของโมเสสซึ่งได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมเลวีนิติบทที่สิบเก้าข้อที่ยี่สิบสามนะครับผลไม้นั้นนะครับเราเรียกว่าเป็นผลไม้ที่มีมนถินสามปีแรกครับแต่พอหลังจากสามปีไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะกินได้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ก็คือเหตุผลทางระบบนิเวศครับเพื่อที่จะเพิ่มปุ๋ยให้กับดินพี่น้องครับต้นมะเดื่อนั้นต้องอาศัยระยะเวลาสามปีจึงจะเกิดผลได้และต้นของมันถ้าหากว่าไม่มีผลก็กินที่โดยเปล่าประโยชน์เสียของครับและแย่งอาหารต้นไม้อื่นด้วยเพราะรากที่แข็งแรงของต้นมะเดื่อนั้นก็จะดูดความชุ่มชื้นและดูดแร่ธาตุจากดินก็ทาให้เสียของครับพระเยซู สอนเรื่องนี้กับเราผ่านทางต้นไม้นี้บทเรียนจากต้นไม้นี้นะครับก็มีบทเรียนอยู่สองสามบทเรียนด้วยกันครับเจ้าของนั้นได้บอกให้คนใช้ได้โค่นต้นไม้เสียคนคนใช้ก็ขอว่าขอเวลาหนึ่งปีเพื่อที่จะปวนดินใส่ปุ๋ยเพราินใส่ปุ๋ยนั้นมีความหมายบทเรียนแรกก็คือว่าจะต้อง เลี้ยงดูและเอาใจใส่ให้ดีพี่รับรับชีวิตของเรานะครับจะต้องมีส่วนในการเลี้ยงดูเอาใจใส่คนอื่นระบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงระบบการดูแลจิตวิญญาณในคริสตจักจรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำคัญขนาดไหนครับสำคัญถึงระดับจิตวิญญาณนะครับเป็นเรื่องของความเป็นความตายเลยทีเดียวทุกวันนี้หลายคนเอาใจใส่กิจกรรมนะครับมากกว่า มากกว่าการเลี้ยงดูมากกว่าการดูแลจิตวิญญาณ น, นะครับนี่เป็นประการแรกเราจะต้องเลี้ยงดูจิตวิญญาณฟวนดินใส่ปุ๋ยให้เขามีโอกาสเติบโตประการที่สองครับบทเรียนที่สองก็คือเรารู้ว่าเวลาของเรานั้งจำกัดครับที่นี่บอกว่าขอเวลาปีหนึ่งปีหน้าไม่เกิดผลจะคนจริงพี่น้องครับเวลาในการดูแลคนนะครับที่มาโบสเนี่ย คนใหม่ๆที่มาโบสถ์น้องๆที่เพิ่งรับเชื่อคนที่เรียกว่าผู้สนใจนั้นมีเวลาจำกัดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามาแล้วถ้าเขาไม่ออบอุ่นมาแล้วเขาไม่เติบโตมาแล้วชีวิตของเขานั้นไม่เปลี่ยนแปลงมาแล้วสิ่งที่เขามานั้นเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับชีวิตของเขานะครับก็จะหายไปหลุดไปและเลิกพี่น้องครับการไม่เกิดผลนั้นเป็นเรื่องราวใหญ่โต ค่อยที่ว่าการไม่เกิดผลทำให้ชีวิตของคนบางคนนั้นสูญเสียไปและชีวิตของพี่เลี้ยงนะครับก็อยู่โดยเปล่าประโยชน์ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เครือจักรงั้นโตช้าหรือไม่โตครับเพราะคนในครือจักรไม่ยอมที่จะเลี้ยงดูเอาใจใส่คนอื่นนะครับไม่ยอมที่จะเป็นพี่เลี้ยงอย่างแท้จริงไม่ยอมที่จะหนึ่งนาหนึ่งถึงพระเยซู ด้วยเหตุนี้ขึ้น จ, จากทั้งหลายจึงไม่ค่อยเกิดผลพี่งครับเราจะเปลี่ยนแปลงด้วยการอธิษฐานครับอธิษฐานเปลือกซึ่งจักของเราทั้งหลายทุกคนขอพระเจ้าช่วยเราให้คนในซึ่งจักรวมทั้งตัวเราเองด้วยที่จะเดินขึ้นมาลุกขึ้นมาครับในการดูแลเอาใจใส่คนอื่นพี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้าสองไปโตบทที่สามข้อที่เก้าที่ได้บอกว่า องพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเชื่องช้าที่จะทําตามพระสัญญาอย่างที่บางคนคิดแต่ทรงอดทนต่อท่านเพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศแต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่นี่คือสองเปโตรบทที่สามข้อเก้านะครับโปรดฟังอีกครั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเชื่องช้าที่จะทําตามพระสัญญาอย่างที่บางคนคิดแต่ทรงอดทนต่อท่าน เพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศแต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่พี่น้องครับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับทรงอดทนอดกลั้นพระไทัยไว้นานผมเคยพูดหลายครั้งนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองนะครับพันธกิจของยอนผู้ให้บัพติศมาก็ดีพันธกิจของพระเยซูนะครับที่เปิดโอกาสกว้างขวางให้ชาวอิสราเอลกลับใจใหม่ นะครับมีมากมายหลายครั้งทีเดียวยิ่งกว่านั้นพระเจ้าก็ยังทรงประทานโอกาสให้เพื่อที่พวกเขานั้นจะได้กลับใจใหม่จริงๆหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงเมฆเขนทรงทรงเป็นขั้นเหนือความตายทรงคืนพระชนะเสด็จสู่สวรรค์ชาวยิวก็มีโอกาสกลับใจใหม่ครั้งหนึ่งครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองครับทรงรอคอยการกลับใจใหม่แต่น่าเสียดาย ประคาชนชาวยิวส่วนใหญ่ไม่ยอมกับใจใหม่ในที่สุดกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทําลายในปีคศ70ครับการกลับใจใหม่ไม่มีต่อไปในระดับของชนชาติคนยิวนั้นต้องรอคอยการพิพากษาครับแต่ในขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องคริสเตียนกลับกระจัดกระจายไปครับและคริสเตียนไม่ได้ตายเพราะว่าพวกเขานั้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐ เราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ดีกับชีวิตของลูกของพระองค์เสมอเราจะเห็นครับว่าถ้าเราไม่เกิดผลพระเจ้าจะทรงโค้นพระเจ้าจะทรงโคนและในพระธรรมอริยบทที่สิบห้าชัดเจนครับเก็บเอาไปเผาไฟนี่นครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวในขณะเดีวยวกันครับ เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณความรักของพระเจ้าสำหรับโอกาสที่สองทีม่มีมาถึงเราทุกวันในการกลับใจใหม่ลุกขึ้นคนของพระเจ้าลุกขึ้นเพื่อรับใช้พระเจ้าลุกขึ้นเพื่อเลี้ยงดูเอาใจใส่คนอื่นนะครับอาเมน